สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบเรื่องบ่าวที่คอยเฝ้าเพระนักบพชกนะของพระเจ้าในเช้านี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสองข้อที่สามสิบห้านะครับจนถึงข้อที่สี่สิบรูกาบทที่สิบสองข้อสามสิบห้าจนถึงข้อที่สี่สิบท่านทั้งหลายจงคาดเกลของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่ พวกท่านเองจนเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายของตนจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีได้เบาซึ่งนายมาพบกำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่านายนั้นจะฆ่าเอไว้และให้เบาเหล่านั้นเองกายลงและท่านจะมาเรืยอนโต๊ะ ถ้านายมาเวลาสองยามหรือสามยามและพบเบาอยู่อย่างนั้นบ่าเหล่านั้นก็จะเป็นสุขให้ทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้เถิดว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้ทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะ จะเด็ดมาที่นั่ครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเศรษฐีโง่เราไี่เรียนรู้นะครับว่าจากชีวิตของเศรษฐีโง่เรามามองชีวิตของเราเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่อารักขานะครับเป็นคนต้นเรือนที่ดูแลทรัพย์สมบัติที่พระเจ้ามอบไว้กับเราไม่ว่าทรัพย์สมบัติของเราแต่ละคนจะมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตาม พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสปปรรพสิ่งทั้งปวงครับเราต้องรู้ว่าเราเป็นเพียงแค่คนดูแลและผิดชอบในสิ่งที่โครงประทานให้กับเราหรือสร้างขึ้นเราเท่านั้นเพียงครับเราจะต้องทําตัวเหมือนเศรษฐีที่ฉลาดครับอย่าเป็นเศรษฐีโง่นะครับเราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นเพียงครับในเช้าวันนี้เราพูดถึงเรื่องที่เกี่ย ว, ยวข้องกับงานสมรสอีกแล้วนะครับ ในข้อที่สามสิบห้าเจสูตรว่าท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่คาดเอวนะครับแล้วก็ตะเกียงจุดอยู่อันนั้นคือเป็นลักษณะท่าทีของผู้ที่เตรียมพร้อมของเบาครับของเบาวที่เตรียมพร้อมกขนมทมเนียมในสมัยก่อนนั้นก็เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเบาวหรือคนรับใช้นั้นจะต้อง มีเสื้อผ้ายาวก็ต้องสวมเสื้อผ้ายาวห้อยงมานะครับเป็นริ้วถ้าจะทํางานหรือเตรียมพร้อมเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขาต้องมัดส่วนที่ห้อยมานะครับขึ้นมามัดส่วนที่ห้อยขึ้นมาแล้วก็เก็บเข้าไปกับเอวของตัวเองเพื่อจะได้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่นนอนไหวในการทํางานนะครับและในเวลากลางคืนนั่นแน่นอนครับตะเกียงต้องถูกจุด ตะเกียงของชาวปาเลสไตน์นั้นก็มีลักษณะเป็นถ้วยเป็นแบมครับทําด้วยดินเหนียวมีไส้ตะเกียงเป็นผ้าฝ้ายทําด้วยผ้าฝ้ายอยู่ข้างในไส้ตะเกียงต้องอยู่ในสภาพดีครับและตะเกียงต้องเติมน้ํามันเต็มครับมิฉะนั้นไฟจะดับพวกเขาใช้ถ่านก่อไฟสําหรับจุดตะเกียงนะครับการที่ตะเกียงจุดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการรอคอยนายของตัวเองเขาเห็นภาพนะครับนะครับอุมานี้ เป็นภาพของบ่าวที่กําลังคอยนายของตนกลับจัดงานส ม, สมรสอย่างใจจดใจจ่อครับในสมัยนั้นนะครับเจ้าบ่าวผู้เป็นผู้จัดงานเลี้ยงสมรถสําหรับเพื่อนฝูงก่อนนะครับเลี้ยงเพื่อนก่อนแล้วจึงค่อยไปบ้านเจ้าสาวรับเจ้าสาวครับขบวนเจ้าบ่าว น, นั้นอาจจะมาลาดช้าในตอนกลางคืนที่ดึกแล้วหลังจากเสร็จงานเลี้ยงแล้วนะครับพวกบ่าวทั้งหลายจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการคอยต้อนรับ ไม่ว่าจะเป็นยามใดมงใดก็ตามนะครับเวลาที่กล่าวถึงในข้อสามสิบแปดนะครับอยู่ระหว่างสามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็คือยามสองครับหรืออาจจะอยู่ระหว่างเที่ยงคืนถึงตีสามก็คือยามสามครับบาร์เหล่านี้ครับไม่ทราบเลยครับว่านายของตัวเองจะกลับมาเมื่อไหร่แต่เขาต้องเตรียมตัวและเขารู้ครับอยู่ในช่วงช่วงนี้แหละนะครับยังไงก็ต้องกลับมาแน่นอนนะครับเขาเองนั้นจะต้องเตรียมตัวเราให้ดีให้พร้อมครับและคอยระวัง นะครับคอยแล้วมาระหวังว่าเมื่อไหร่นายจะจับนะเมื่อนายจับปุ๊บไม่ต้องคอยครับน า, นายไม่ต้องคอยพอกลับปุ๊บนะครับเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะต้อนรับนายของเขาได้นะครับสิ่งที่สําคัญในข้อสามสิบเจ็ดนะครับหลายบางคนก็อ่านแล้วไม่เข้าใจข้อสาสิบเจ็ดนะครับพูดอย่างนี้นะครับว่าบ่าวซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่านายนั้นจะคาดเอไว้ และให้เบาวเหล่านั้นเอนกายลงและนายท่านจะมาเดินโต๊ะเพียงครับพระเยซูได้จัดว่าเบาวที่เตรียมพร้อมอยู่นั้นจะได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้านายครับจะได้รับบําเหน็จก็คือนายจะเทคแคร์เขานายจะคอยดูแลเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกตินะครับพระเยซูไม่ได้กล่าวถึงนายทั่วๆไปแต่กล่าวถึงใครครับกล่าวถึงพ้าวีดา นะครับกล่าวถึงนายที่อยู่บนสวรรค์ครับนายที่อยู่บนสวรรค์นั้นจะตอบแทนสิ่งที่บ่าวได้ทํานั่นก็คือการเตรียมพร้อมนั่นเองบ่าที่เตรียมพร้อมนั้นจะรับบําเหน็จจากนายครับนายจะดูแลชีวิตของเขานายจะให้บําเหน็จเขานั่นนายจะตอบสนองเขาก็คือนายก็จะปูนบําเหน็จความดีความชอบให้กับเขาเสมือนกับ การที่นายนั้นมาเดินตกมาคอยบริการให้เบาพี่น้องครับในข้อที่สี่สร็นะครับเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วพระเยซูกำลังกล่าวถึงการเฉล็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์เราเพื่อซึ่งอยู่ในอยู่หลังจากสมัยนั้นถึงสองพันปีเรารู้ทรับว่าพระเยซูจะไม่เฉล็จมารวดเร็วเหมือนกับพวกที่เขาเหมือนกับที่พวกเขากินครับและพระเยซูก็ทรงราบด้วยคำถามก็คือว่าทําไมพระเยซูถึงจัดกับผู้ฟังทั้งหลายว่า ให้เตรียมตัวพร้อมเหมือนกับเจ้าของบ้านผู้ซึ่งไม่รู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเพียงครับพระเยซูตรัสสอนให้พวกเราเตรียมพร้อมเสมอใช่ไหมครับในการเตรียมรับการเสด็จมาของพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาในเวลาใดโมงใดที่สเสียนเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับคําถามต่อไปก็คือว่าที่เพื่อเสด็จจะเตรียมพร้อมได้อย่างไรเพียงครับคาแนะนํา ก็คือให้เราหยุดคิดครับและถามตัวเองเสมอในทุกๆช่วงโอกาสวาระจังหวะของชีวิตนะครับเราอาจจะถามตัวเองทุกวันครับว่าถ้าพระเยซูเสด็จมาในคืนนี้แล้วพระเจ้าก็รู้อย่างแน่แท้พระเจ้าควรจะทำประการใดเพียงครับในข้อ35นะครั บ, รบเป็นจุดบ่งบอกหรือว่าจุดบ่งชี้เรานะครับให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่ที่เป็นบ่าวครับใครก็ตามที่กาลังทางานอยู่ ผ้าที่ยงังคาดอยู่ที่เอวแสงตะเกียงที่ยงจุดอยู่ตะเกียงของเรานะครับจะต้องตั้งไว้บนเชิงตะเกียงนะครับใครก็ตามที่เป็นแบบนี้นะครับเขาจะได้รับบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าเขาจะได้แผ่นดินเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าคำถามก็คือว่าเราได้กำลังปฏิบรับใช้พระเจ้าในงานบางอย่างได้อนาจาักของโปร่งบนแผ่นดินโลกนี้หรือเปล่าครับ เรากําลังเป็นครูสอนรวีหรือเปล่าเรากําลังออกไปเยี่ยมเยียนคนไข่คนเจ็บคนป่วยหรือเปล่าเรากําลังเตรียมตัวที่จะทําหน้าที่เป็นคนที่เป็นพยานเป็นคนที่บอกกล่าวคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องข่าวเผยความรักของพระเจ้ า, จาการไปประกาศพี่น้องครับเรากําลังเรียนพระกัมภีร์เรากําลังศึกษาพระโอษะของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเนะครับคือสิ่งที่ บ่งบอกถึงการเตรียมพร้อมของเราในพระพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะให้ในวันนี้นะครับพวกเราได้มีโอกาสซึ่งเป็นวันอาทิตย์เราได้มีโอกาสไม่เพียงแต่วันอาทิตย์เราจะรับใช้พระเจ้าแต่ในทุกๆวันเราจะรับใช้พระเจ้าครับในทุกๆวันเราจะรับใช้พระเจ้าและการรับใช้พระเจ้าของเรานั้นก็คือการแสดงออกถึงการเตรียมพร้อมที่เราให้ความสําคัญของพระเจ้ามาก่อน ให้ความสำคัญกับพระเจ้ามาก่อนให้ความสำคัญกับการรับใช้พระเจ้ามาก่อนให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้ามาก่อนเสมอขาพระเจ้าสางงานงนังพี่น้องแา้ทุกท่านในเช้าวันนี้อาเมน